ปัญญาทางพระพุทธศาสนามีอยู่สามแบบด้วยกันหรือสามระดับแบบที่หนึ่งหรือระดับที่หนึ่งเรียกว่าสุตะมะยาปัญญาแปบลบว่าปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังได้ศึกษาริ่มเรียน ปัญญาระดับที่สองเรียกว่าจินตามยาปัญญาปัญญาที่เกิดจากการคิดค่ควรพิจารณาปัญญาขั้นที่สามเรียกว่าภาวนามยาปัญญาปัญญาที่ประกอบด้วยสมถภาวนาปัญญาที่มีสมถภาวนาคือมีจิตที่ตั้งมั่น อันนี้เป็นสามสามปัญญาด้วยกันปัญญาระดับที่หนึ่งที่สองนี่ไม่ต้องภาวนาไม่ต้องสมถะภาวนาไม่ต้องนั่งสมาธิไม่ต้องมีอัปปนาสมาธิเพียงแต่ให้มีสติคอยฟัง <c oughs> เวลาฟังเทศฟังธรรมก็ให้มีสติ จดจ่ออยู่กับการฟังธรรมคือไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะถ้าไม่มีสติปล่อยให้ใจคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ทมที่กำลังฟังก็จะไม่เข้าไปในใจจะไม่เข้าใจพอจะเข้าไปที่หูแล้วก็ออกเข้าหูซ้ายออกหูขวาฟังแล้วไม่เข้าใจฟังแล้วไม่เกิดประโยชน์ ไม่ได้ความรู้ไม่ได้ปัญญาปัญญานี้มีไว้เพื่อที่จะเอาไปใช้ในการทำลายกิเลสตัณหาตัวที่สร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้แก่จิตใจตัวที่พาให้จิตใจต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายการอยู่ไม่มีวันสิ้นสุด ก็คือกิเลสตัณหานี่เองปัญญาทางาศาสนาพุทธนี้มีไว้เพื่อกำจัดกิเลสตัณหาไม่เหมือนกับปัญญาทางโลกปัญญาทางโลกนี้มีไว้เพื่อรับใช้กิเลสตัณหาเรียนจบปริญญาเรียนจบด็อกเตอร์เป็นหมอเป็นวิศวกรก็เอาไปรับใช้กิเลสตัณหา กิเลสต้อนหาต้องการเงินทองก็อเอาวิชาความรู้ที่ได้เรียนมานี้ไปหาเงินทองให้กับกิเลสปัญญาทางโลกนี้ดับกิเลสไม่ได้ดับความทุกข์ใจไม่ได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดไม่ได้เพราะเป็นความรู้ที่ไม่ทําลายเหตุที่พาให้เกิดความทุกข์พาให้เกิดการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเอง สิ่งที่จะทำลายกิเลสตัณหาได้ต้องเป็นความรู้ทางธรรมความรู้ในพระพุทธศาสนาที่สอนให้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราทุกสิ่งทุกอย่างไม่สวยงามมีสวยแล้วก็มีไม่สวยมาด้วยกัน เพื่อที่จะได้ถ้าเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอสุภะก็จะไม่เกิดความอยากได้ในสิ่งต่างๆกิเลสตัณหาก็จะตายตายด้วยปัญญาทางศาสนาพุทธคือคือตายลักอนิจจังทุกขังอนัตตา อริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคนี่คือปัญญาทางพระพุทธศาสนาผู้ที่ศึกษาต้องมองให้เห็นว่าอ น, นิจจังเป็นอย่างไรทุกขังเป็นอย่างไรอนัตตาเป็นอย่างไรซ้ำทุกคืออะไร ต้นเหตุของความทุกข์คืออะไรการดับทุกข์เป็นอย่างไรต้นเหตุของการดับทุกข์เป็นอย่างไรนี่คือสิ่งที่ผู้ศึกษาทางพระพุทธศาสนาจะต้องเรียนรู้แล้วนำเอาไปปฏิบัติเอาไปทำลายตัวที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์เนี่ย เพราะทุกคนไม่มีใครอยากจะมีความทุกข์ใจกันศาสนาพุทธนี้มีไว้เพื่อสอนให้คนที่อยากจะพ้นทุกข์มาศึกษาและมาปฏิบัติตามถ้ายังไม่อยากจะพ้นทุกข์ศาสนาก็ไม่มีประโยชน์กับคนคนนั้นถ้ายังอยากจะทุกข์ต่อไปยังอยากจะเวียนว่ายตายเกิดต่อไป ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมาศึกษาให้เสียเวลาไปปล่าๆไปศึกษาวิชาทางโลกดีกว่าวิชาหาเงินหาทองเดี๋ยวนี้ต้องเรียนกันอยู่เรื่อยๆเพราะมีวิชาใหม่ๆปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆสมัยก่อนไม่มีวิชาออนไลน์เดี๋ยวนี้ทํอาหากินออนไลน์กันต้องรู้จักต้องรู้จักเฟซบุ๊กต้องรู้จักโปรแกรมต่างๆ เดี๋ยวนี้ก็หากินกันผ่านทางเฟ e บ o o กกันซื้อข้าวซื้อของขายข้าวขายของกันผ่านทางเฟ e บ o o กกันถ้าไม่เป็นเรียนก็จะไม่มีอาชีพสู้เขาไม่ได้เดี๋ยวนี้ร้านที่เปิดรอให้คนเดินไปซื้อเนี่ปิดกันไปเยอะแยะนะเพราะคนสมัยนี้ขี้เกียจสั่งทางมือถือดีกว่าง่ายกว่า เดี๋ยนี้อยากจะกินอะไรก็สั่งผ่านทางมือถือได้อยากจะซื้ออะไรก็สั่งผ่านทางมือถือได้นี่นี่คือความรู้ทางโลกเหมาะกับผู้ที่ต้องการหาเงินหาทองต้องการความร่ำรวยเป็นวิชาทางโลกแต่มันจะทำให้ต้องเกิดความทุกข์ขึ้นมา ในระยะที่ในช่วงที่ไม่สามารถทำตามความอยากาทำาตามความต้องการได้ตอนที่ยังมีกําลังวังชาเป็นหนุ่มเป็นสาวสามารถทำอะไรตามความอยากได้ตอนนั้นจะไม่ค่อยมีความทุกข์ใจคนหนุ่มคนสาวเลยไม่ค่อยเห็นความสาคัญของพระพุทธศาสนา ไม่รู้ว่ามีไว้ทำไมในเมื่อเขาไม่มีความทุกข์ใจเขาก็ไม่เข้าหาศาสนากันคนที่เข้าหาศาสนานี่มักจะเป็นคนที่มีความทุกข์ใจและไม่รู้จากวิธีกําจัดความทุกข์ใจว่ากําจัดอย่างไรถึงจะเข้าหาศาสนากันการเข้าหาศาสนา ขั้นแรกก็ต้องเข้าหาปัญญาระดับสุตตะมะยะปัญญาคือต้องมาศึกษามาฟังมาเรียนรู้ว่าวิธีกำจัดความทุกข์ที่ศาสนาพูดสอนให้กระทานั้นกระทาอย่างไรอพอรู้แล้วก็นำมาไปปฏิบัติ พอปฏิบัติแล้วเดี๋ยวก็จะมีความสามารถที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้ค ว, ความทุกข์ใจเกิดจากความอยากอยากได้าดลาบยศสนเสริญอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากร่ำอยากรวย อยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนี้อยากให้สิ่งนี้เป็นอย่างนั้นอยากให้คนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอไม่ได้ดังใจอยากก็โกรธหรือเสียใจทุกนี่คือความทุกข์ใจที่คนหนุ่มคนสาวยังมักจะไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่เพราะมักจะได้อะไรดังใจอยากกันอยากจะเที่ยวก็ได้เที่ยวอยากจะดูหนังก็ได้ดูหนัง อยากจะฟังเพลงก็ได้ฟังเพลงช่วงที่เป็นหนุ่มเป็นสาวมันก็เลยไม่ค่อยทุกข์ทุกข์ ก, ก็อาจจะอะมีวิธีที่จะหนีมันได้ทุกเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ไปหาความสุขกับเรื่องอื่นแทนมันก็ลืมทุกข์เรื่องนี้ไปได้แต่ต่อไปเวลาที่มันออ ไม่สามารถที่จะแก้วความทุกข์ได้เพอหนีไปทางไหนก็เจอทุกข์หมดใหม่ๆนี้มันยังคิดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ยังเป็นสุขอยู่พอสิ่งนี้ให้ความทุกข์ก็หนีไปหาสิ่งนั้นเดี๋ยวไปหาสิ่งนั้นมันก็ให้ความทุกข์อีกก็ต้องหาไปหาสิ่งใหม่อกีกเดี๋ยวก็จะรู้ว่าไปหาสิ่งไหนมันก็มีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นจะในที่สุดก็ ต้องหาต้องถามคนที่รู้ว่ามีวิธีแก้ความทุกข์นี้ได้อย่างไรกันบ้างก็ถ้ามีรู้จักคนที่รู้เรื่องของศาสนาพุทธเขาก็จะสารให้ไปวัดไปอ่านหนังสือธรรมะไปศึกษาธรรมไปศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้านี่คือขั้นที่หนึ่งคือสุดตะมยะปัญญา เมื่อเกิดมีปัญหาความทุกข์ทางใจแล้วแก้ไม่ได้ไม่มีใครแก้ได้ก็ต้องมาหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาหาคําสัง่งคําสอนของพระพุทธเจ้าก็จะได้เข้าสู่ปัญญาระดับที่หนึ่งระดับแรกคือสุตตะมายักปัญญาก็จะได้เรียนรู้ว่าความทุกข์ของใจนั้นเกิดจากความอยากของใจเอง ใจอยากได้นั่นอยากมีนี่พอไม่ได้ก็เสียใจทุกข์ใจขึ้นมาหรือมีแล้วต้องสูญเสียสิ่งที่ได้มาไปก็ทุกข์ใจเสียใจวิธีที่จะแก้ความทุกข์นี้ก็ต้องอใช้ศีลสมาธิปัญญาใช้ทานศีลภาวนาแล้วแต่ว่าอกรณีทุกข์เพราะอะไร ทุกเกี่ยวกับเงินทองก็ต้องใช้ทานแก่ถ้าไม่เกี่ยวกับเงินทองก็ไม่ต้องใช้ทานแก่อันนี้สาหรับเบื้องตน้นคนส่วนใหญ่ทุกเพราะเรื่องเงินทองกันเงินทองไม่พอใช้กันมีเท่าไหร่ก็รู้ไม่รู้สึกไม่พอใช้สถทีได้มามากได้น้อยเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้ เพราะมันใช้มากกว่าที่มีอยู่เสมออันนี้ก็ต้องใช้การทำทานทำบุญเป็นวิธีแก้แก้ด้วยการเอาเงินที่เราจะไปใช้ตามความอยากต่างๆนั้นมาเอามาทำบุญแทนของที่เราไม่จำเป็นจะต้องมีต้องซื้อแต่อยากได้นี่ อยากไปซื้อมาพรอมซื้อแล้วมันจะไม่พอซื้อแล้วมันอยากจะซื้ออีกซื้อเต็มบ้านก็ยังไม่พ อ, อแล้วพอไม่มีเงินซื้อมันก็จะทุกขขึ้นมานแต่ถ้าเราแก้ด้วยการเอาเงินที่อยากจะซื้อของไม่จําเป็นต่างๆเอาไปทําบุญเสียต่อไปความอยากซื้อของไม่จําเป็นมันจะหมดไป แล้วจะทำให้เราสบายไม่ต้องดิ้นร น, นหาเงินหาทองเพื่อมาซื้อของต่างๆแล้วเราจะมีเงินเหลือใช้เพราะรายได้ของเหล่านี้จะพอเพียงต่อการใช้กับสิ่งที่จำเป็นคือปัจจัยสี่ทางร่างกาย ส่วนของฟุ่มเฟือยต่างๆของไม่จำเป็นจริง ต, งต่างๆจะไม่ซื้อเพราะความอยากซื้อมันถูกกาจัดไปด้วยการทำทานทำบุญทุกครั้งที่อยากจะซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของไม่จำเป็นเอาไปทำบุญเอาไปทำทานเสียแล้วความอยากซื้อของฟุ่มเฟือยของไม่จำเป็นต่างๆมันจะหมดไป พอหมดแล้วทีนี้เราก็หยุดทําทานก็ได้การทําบุญทําทานนี้เป็นเหมือนกินยากินยาเพื่อแก้โรคภัยไข้เจ็บเวลาเกิดโรคภัยไข้เจ็บเช่นเกิดอาการปวดท้องก็ต้องกินยากินยาจนกว่าโรคปวดท้องมันจะหายพอโรคปวดท้องหายแล้วก็ไม่ต้องกินยาการทําบุญทําทานก็เป็นอย่างนั้นเอามาแก้ โลกของความอยากอยากซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของไม่จำเป็นซื้อของหรูหราต่างๆเพราะมันจะทำให้มีปัญหาถ้าถ้าซื้อของเหล่านี้แล้วมันจะติดเหมือนติดยาเสพติดใบภาษาฝรั่งก็มีคําว่าช็อปกอฮอลิกความจริงก็ใช้กับแอลกอฮอลิกแอลกอฮอลิกคือพวกที่ติดสุรา ดื่มโซดาแล้วเลิกไม่ได้พอดื่มแล้วมันติดต้องดื่มอยู่เรื่อยๆเขาเลยเรียกว่าแอลกอฮอล์เด็กส่วนพวกที่ซื้อของไม่จําเป็นของฟุ่มเฟือยต่างๆเขาเรียกว่าพวกช้อปปิ้งเนี่ยเขาก็เรียกว่าชอปปะฮอล์เด็กเติดการช้อปปิ้งเหมือนติดการดื่มสุราวันไหนไม่ได้ช็อปแล้วรู้สึกมือไม้สั่นใจสั่นไปหมดต้องออกไปช็อปถึงจะหายสั่น พอไม่มีเงินมันก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาแก้ความหงุดหงิดแก้ความลมาคาญใจแก้ความสั่นของใจไม่ได้ก็อาจจะทําให้ต้องไปหาเงินในวิธีที่ไม่ถูกต้องก็ได้ไปขโมยไปโกงไปโกหกหลอกลวงวิธีใด้วิธีหนึ่งที่ทําให้ได้เงินมาเพื่อจะได้ไปชอบต่อ ได้ไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่อนี่คือวิธีแก้วิธีตัดความอยากที่สร้างความทุกข์ใจที่เกี่ยวกับการใช้เงินใช้ทองอย่าใช้เงินทองไปกับของที่ไม่จำเป็นเพราะมันจะไม่พอใช้มันจะซื้ออยู่เรื่อยๆถ้าหยุดมันได้แล้วสบายไม่มีปัญหาเงินทองไม่รู้วะไหล มีเงินทองเท่าไหร่ก็จะสามารถที่จะเก็บเอาไว้ได้จะใช้ต่อจะใช้กับสิ่งที่จําเป็นจริงๆเท่านั้นซึ่งก็ไม่ต้องใช้มากเหมือนกับซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆของจําเป็นนี่ก็ปัจจัยสี่ซึ่งส่วนหนึ่งเราก็มีอยู่พร้อมอยู่แล้วบ้านก็มีอยู่แล้วเสื้อผ้าก็มีอยู่แล้วยานานๆก็จะใช้จะซื้อสักครั้งเวลาไม่สบาย ที่ต้องซื้อประจาก็มีแค่อาหารเท่านั้นเองแต่รู้จักกินแบบประหยัดรู้จักกินด้วยเหตุด้วยผลก็ไม่แพงถ้ากินด้วยความอยากก็แพงกินด้วยความหลงความอยากต้องกินอาหารแพงๆต้องกินอาหารในร้านกินอาหารที่บ้านมันไม่อร่อยต้องออกไปกินนอกบ้านสบายกว่าไม่ต้องล้างถ้วยล้างชาม ไม่ต้องเตรียมอาหารไม่ต้องต้มหุงหาอาหารแต่มันจะเป็นการสิ้นเปลืองเงินทองถ้าใช้แบบฟุ่มเฟือย น, นี่คือวิธีหนึ่งที่จะแก้ปัญหาของความไม่สบายใจที่เกี่ยวกับเรื่องของเงินทองเงินทองที่ไม่พอใช้กันก็เพราะว่าไม่ควบคุมการใช้เงินทองตามความอยากปล่อยให้ใช้ตามความอยาก ถ้าลองปล่อยให้ใช้ตามความอยากแล้วมันจะไม่มีวันพอเพราะความอยากมันจะอยากอยู่เรื่อยๆได้มามากน้อยเพียงไรก็ไม่พอมีมากน้อยเพียงไรก็ไม่พอใช้มีเงินแสนก็ใช้ในระดับแสนแสนกว่าจะใช้มากกว่าที่มีอยู่เรื่อยๆมีละเงินระดับล้านก็จะใช้มากกว่าล้านไป ความอยากมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆของที่เคยซื้อก็จะแพงขึ้นไปเรื่อยๆตอนต้นก็ซื้อเสื้อตัวละร้อยต่อมาก็ตัวละห้าร้อยมีเงินมากขึ้นก็ตัวละพันเพิ่มขึ้นไปมันก็เสื้อเหมือนกันแหละมันก็เอามาแค่ใส่ปกปิดร่างกายเท่านั้นเอง <c oughs> แต่ความอยากมันอยากซื้อของแพงๆขึ้นไปเรื่อยๆเพราะความหลงคิดว่าของแพงแล้วดี ใส่แล้วมีความสุขมากกว่าของถูก น, นี่นีคือความหลงพระพุทธเจ้าก็เลยสอนว่าต้องทำทานกันทุกครั้งที่อยากจะเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยของหรูหราของไม่จำเป็นเอาไปทำบุญดีกว่าได้ประโยชน์มากกว่าทางจิตใจก็ได้ความสุขได้ความสบายมากกว่า ความสุขที่ได้จากการไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆเป็นความสุขคนละแบบกันความสุขแบบควันไฟกับความสุขที่ที่จับต้องได้ที่อยู่กับโตอยู่กับใจไปได้นานกว่าความสุขจากการทําบุญทําทานนี้มันอิ่มความสุขจากการทําใช้ของตามซื้อของตามความอยากต่างๆมันหิว มันอยากอยู่เรื่อยๆไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอ <c oughs> อันนี้ถ้าฟังแล้วเท่าใจแล้วก็อยู่ที่ว่าจะเอาไปทำได้หรือไม่จะทำได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่ว่าจำได้หรือเปล่าฟังแล้วเดี๋ยวพอออกไปจากที่นี่ก็ลืมแล้วลืมแล้วว่าวิธีแก้ปัญหาเรื่องเงินทองขัดสนก็คือต้องหยุดใช้เงินทองซื้อของตามความอยากต่างๆ ถ้าอยากจะซื้อกลัวว่าถ้ามีเงินอยู่ในกระเป๋าแล้วมันจะห้ามใจไม่ได้ก็เอาเงินนี้ไปทำบุญเสียแล้วมันจะได้ไม่ไปซื้อของตามความอยากพอไม่ได้ซื้อของตามความอยากไม่กี่ครั้งเดี๋ยวมันก็หายอยากเองเหมือนคนที่อยากสูบบุหรี่เนี่ยทุกครั้งที่อยากจะสูบบุหรี่ก็ไม่สูบมันทนั้นเองหยุดสูบไม่กี่ครั้งเดี๋ยวมันก็หายความอยากจะสูบบุหรี่มันก็หายไป แล้วสบายไม้มเวลาไม่มีความอยากสูบบุหรี่คนไม่สูบบุหรี่กับคนสูบบุหรี่ใครวุ่นวายกว่ากันคนสูบบุหรี่นี่เดี๋ยวต้องหาบุหรี่มาสูบเองล่ะเดี๋ยวต้องสูบเองละคนไม่สูบบุหรี่ก็เฉยๆอยู่สบายไม่เดือดร้อนคนชอบใช้เงินซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆกับคนที่ไม่ใช้เงินซื้อของฟุ่มเฟือยก็แบบเดียวกันคนที่ใช้เงินฟุ่มเฟือยก็ต้องใช้อยู่เรื่อยๆ คนที่ไม่ใช้เงินฟุ่มเฟือยก็ไม่ต้องใช้นะนี่คือวิธีแก้จะแก้ได้ก็คือต้องไม่ลืมวิธีเรามักจะลืมกันมาฟังเทศฟังธรรมกันพอไปออกจากที่นี่ไปก็ลืมแล้ะพอเห็นของในร่านก็อยากซื้อขึ้นมาทันทีนี่แสดงว่าปัญญาขั้นที่หนึ่งนี้ยังไม่มีอำนาจ พอที่จะกําจัดกิเลสได้กิเลสไม่กลัวปัญญาขั้นที่หนึ่งเพราะมันรู้ว่าเดี๋ยวก็ลืมฟังแล้วเดี๋ยวก็ลืมพอลืมแล้วก็เหมือนเดิมพอเห็นอะไรอยากซื้ออะไรก็ซื้อมันต่อไปเหมือนเดิมยิ้นถ้าอยากจะทําให้มันไม่ลื ม, มต้องนําเอาไปพิจารณาต่อเอาไปคิดต่อ นี่การคิดต่อเรียกว่าเป็นปัญญาขั้นที่สองเปีียเหมือนกับการทําการบ้าน เ, าเวลาเข้าห้องเรียนครูก็สอนเรื่องนั้นเรื่องนี้นี้กลัวครูเขากลัวเลยเดี๋ยวนักเรียนกลับบ้านกลับไปเล่นไปทําอะไรก็จะลืมเรื่องที่เรียนก็เลยให้เอาการบ้านกลับไปทําเอาไปคิดเรื่องที่ครูสอนในวันนี้ครูสอนเรื่องอะไรก็ให้เอากลับไปทําการบ้านะ แล้วพรุ่งนี้เอามาส่งจะได้ดูว่าทำการบ้านหรือเปล่าคือเอาไปคิดต่อหรือเปล่าถ้าเอาไปคิดต่อก็จะสามารถทำการบ้านได้เพราะครูจะถามคำถามที่สอนในวันนั้นสอนเรื่องนั้นสอนเรื่องนีเ้เช่นถ้าเป็นทางวัดก็จะให้การบ้านญาติโยมกลับไปว่าวันนี้รู้จักวิธีแก้ปัญหาเรื่องเงินทองขาดแคลนหรือ ย, ยังให้แก้อย่างไร ใ้แก้โดยการทำบุญทำทานทุกครั้งที่อยากจะเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยก็ออกไปทำบุญทำทานแทนอันนี้ก็ทีนี้ทางวัดไม่มีการบ้านให้ทำนักเรียนต้องไปทำเองแล้วก็ต้องตรวจการบ้านเองว่าจาได้หรือเปล่าวันนี้มาฟังเทศฟังธรรมเรื่องปัญญาเรื่องแก้ความอยากเรื่องฆ่าความอยากทำลายความอยากนี่ทำอย่างไร ถ้าอยากจะใช้ข้าวของเงินทองซื้อข้าวของเงินทองก็ถ้าอยากจะเลิกถ้าไม่อยากจะติดกับการซื้อข้าวของเงินทองก็ต้องหยุดด้วยการเอาเงินทองที่จะไปซื้อสิ่งไม่จำเป็นเหล่านี้ไปทาบุญทาทานแทนอันนี้กานี้ถ้าไม่ถ้าถ้าเอาไปคิดต่อมันก็จะไม่ลืม พอเวลาเดินไปตลาดเดินไปตามศูนย์การค้าไปซื้อของจำเป็นเช่นไปซื้ออาหารไปซื้ออะไรแต่ตาเหลือไปเห็นของที่ไม่จำเป็นแล้วเกิดความอยากขึ้นมาก็ต้องต้องรู้ว่าจำได้หรือเปล่าจำได้ที่สอนหรือเปล่าว่าอย่าไปซื้อถ้าอยากจะซื้อเอาเงานินนี้ไปทำบุญเสีย ทีนี้จะทำได้ไม่ได้ก็อยู่ที่ว่ากำลังใจมีกำลังมากน้อยเพียงไรสู้ความอยากได้หรือเปล่าถ้าใจสู้ความอยากไม่ได้ถึงแม้จะจำได้ว่าต้องเงินไปทำบุญนะแต่มันก็สู้ความอยากซื้อไม่ได้อย่างนี้ก็ต้องไปสร้างกำลังใจขึ้นมาสิ่งที่จะเป็นกำลังใจก็คือสมถภาวนาเนี่ คือการทําใจให้สงบหยุดใจหยุดความอยากไม่มีอะไรจะหยุดความอยากได้นอกจากสมาธิสติต้องเอาไปฝึกสติพุโทโธพุโทโธหัดนั่งทําสมาธิพอนั่งทําสมาธิหยุดความคิดหยุดความอยากได้ใจก็จะมีกําลังพอทุกครั้งที่อยากจะเอาเงินทองไปซื้อของตามความอยากต่างๆพอลุพอรู้ว่า วิธีว่าถ้าไปซื้อตามความอยากแล้วมันจะมีปัญหาตามมาต่อไปเงินทองจะไม่พอใช้ต้องหยุดต้องเลิกซื้อของตามความอยากของไม่จำเป็นต่างๆซื้อได้แต่ของที่จำเป็นต่อการดำรงชีพหรือต่อการทำมาหากินสุดแท้แต่แต่อย่าไปซื้อของที่ไม่มีความจำเป็นต้องซื้อ คือไม่มีมันก็อยู่ได้ไม่เดือดร้อนเอาเงินที่จะไปซื้อของเหล่านี้ไปทำบุญถ้าเอาเงินไปทำบุญได้ก็แสดงว่าใจมีกําลังสู้กิเลสได้อันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นปัญญาระดับที่สามก็ได้เรียกว่าภาวนามายปัญญาปัญญาที่ฆากิเลสฆ่าความอยากได้คือภาวนามายปัญญาขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองกิเลสมันไม่กลัว ก็รู้ว่าฟังแล้วเดี๋ยวก็ลืมหรือถ้าจําได้แต่ก็ไม่มีกำลังสู้มันรู้ว่าอย่าซื้อนะแต่มันก็ยังหักห้ามใจไม่ได้เพราะขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองไม่ได้มีการฝึกสมาธิกันต้องมาฝึกสมาธิกันถึงจะได้ขั้นที่สามคือได้ปัญญาของขั้นที่สองประกอบกับ สมัทาภาวนาคือใจที่มีความสงบมีสมาธิถ้าใจมีความสงบแล้วมีสมาธิแล้วพอเห็นพอใช้ปัญญาก็จะหักห้ามจิตใจได้นี่คือปัญญาสามระดับด้วยกันต้องผ่านทั้งสามระดับก่อนเกิดขั้นที่หนึ่งต้องไปเรียนก่อนถ้าไม่รู้ว่า วิธีกำจัดความทุกข์กำจัดยังไงก็จะไม่มีวิธีก็จะไปไม่ได้ต้องรู้จักวิธีก่อนต้องไปเรียนก่อนเรียนจากผู้รู้ก่อนเรียนจากผู้ที่เคยได้กำจัดความทุกข์กำจัดความอยากมาแล้วก่อนท่านก็สอนอย่างนี้ถ้าเกี่ยวกับเรื่องเงินทองก็เนี่ยก็อย่าอย่าไปซื้อของตามความอยากต่างๆอย่าไปซื้อของฟุ่มเฟือยของไม่จาเป็น เอาเงินที่จะไปซื้อของเหล่านี้ไปทำบุญแล้วจะได้ความสุขใจอิ่มใจที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปซื้อของฟุ่มเฟือยเพราะมันเป็นความสุขที่ทำให้หิวไม่ได้ทำให้อิ่มเป็นความสุขที่หิวคือสุขเดียวเดียวดีใจเดียวเดียวพอไปเห็นของใหม่ก็อยากได้ขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเอาเงินมาทาบุญทาทานมันจะอิ่ม ไปเห็นของใหม่ของเก่าของอะไรก็จะรู้สึกเฉยเฉยไม่มีความอยากที่จะซื้ อ, อนั่งก่อนได้ไหมอตอนนี้ขอเวลาก่อนเนีตอนนี้กำลังพูดธรรมะอยู่ไม่ต้องเข้ามาไปอยู่ที่ไกลๆนั่นนงเฉยเฉยไม่ต้องทำอะไรให้วางไว้ก่อน ไปนั่งที่อื่นไปไปนั่งไกลๆไหมแล้วเดี๋ยวค่อยเข้ามานะตอนนี้ไม่ใช่เวลาตอนนี้เวลานั่งฟังวันนี้พี่บอยไม่มาเลยมาเลยธรรมาดาท่านยางเป็นจราจรเบรกมาคนละด้านกันแนละ้จราจอรอยู่ด้านหนึ่งเนี่ยการฟังธรรมมัน ต้องไม่มีอะไรมาอบกวนถ้าอบกวนนะมันพูดก็ไม่รู้เรื่องฟังก็ไม่รู้เรื่องเวลาฟังทำแสดงธรรมนี้ต้องทุกคนต้องนั่งเฉยๆไม่ทำอะไรไม่พูดอะไรจะได้ฟังจะได้พูดเรื่องที่เป็นปัญญาเรื่องที่เป็นความรู้ ถ้าฟังคนฟังก็พูดคนฟังก็ทําอะไรอยู่คนพูดก็พูดไปทำไปอยู่เดี๋ยวไม่รู้เรื่องกันทั้งสองฝ่ายเสียเวลาก็อย่าไปฟังอย่าไปพูดดีกว่าถ้าอยากจะให้เกิดประโยชน์ขึ้นมาทั้งคนพูดทั้งคนฟังนี้ต้องนั่งอยู่เฉยๆคนพูดจะได้พูดเป็นเรื่องเป็นราวคนฟังก็จะได้ฟังเป็นเรื่องเป็นราวได้ฉะนั้นวันนี้คงจะ ได้เข้าใจปัญญาสามระดับนี้ระดับที่หนึ่งจำเป็นที่ต้องมีก่อนเพราะยังไม่รู้ว่าวิธีจะกำจัดความทุกข์กาจัดอย่างไรไม่รู้ว่าอะไรเป็นต้นเหตุของความทุกข์พอฟังธรรมก็จะรู้ว่าต้นเหตุของความทุกข์ใจก็จากความอยากและการที่จะทําให้ความทุกข์ใจหายไปก็ต้องใช้ใช้ปัญญาประกอบกับ สมาธิปัญญาที่ต้องใช้คืออะไรก็คือต้องต้องเห็นว่าสิ่งที่ใจอยากได้นะั้นได้มาเท่าไหร่ก็จะไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพอจะหิวไปเรื่อยๆจะอยากไปเรื่อยแล้วก็ได้มาแล้วเดี๋ยวก็เกิดปัญหาได้เพราะสิ่งที่ได้มาเดี๋ยวก็ต้องจากกัน เวลาจากกันมันก็จะทำให้เกิดความเศร้าโศกเสียใจเกิดความทุกข์ใจตามมาอีกคือต้องให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่ใจอยากได้นี้มันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปหมดไปก็ต้องหาใหม่เวลาหาไม่ได้ก็ทุกข์ของบางอย่างหาใหม่ไม่ได้เช่นแฟนตายไปนี้หาใหม่ไม่ได้ หรคนที่เรารักเขาจากเราไปทิ้งเราไปอยากจะาได้คนแบบเดียวกันเหมือนกับเขาเนี่ยมันไม่ได้แล้วไม่มีแล้วถ้าอยากหาก็ต้องหาคนใหม่คนใหม่ใหม่ๆก็ไม่เหมือนกับคนเก่าก็จะไม่มีความสุขเหมือนกับกับที่ได้จากคนเก่าอันนี้คืออา น, นิจจังให้มองให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเรา มันจะไม่แน่นอนว่าจะให้กับเราได้นานหรือไม่นานบางอย่างก็ได้นานบางอย่างก็ได้ไม่นานอย่างที่ไม่นานก็จะทำให้เราเสียใจเราก็ต้องแต่เราก็ไม่เข็ดพอเสียอันนี้ไปเดี๋ยวแล้วก็หาอันใหม่มาแทนอันใหม่ก็เหมือนอันเก่า เ, เดี๋ยวมันก็หมดอีกให้เห็นว่าเป็นอ น, นิจจัง อนัตตาเป็นยังไงมันไม่ได้อยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดเราสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้เวลามันอยากจะอยู่มันก็อยู่เวลามันอยากจะไปมันก็ไปเราจะสั่งให้มันอยู่เวลามันไปเราก็สั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้หรือบางอย่างเราไม่อยากให้มันมาก็ห้ามไม่ให้มันมาไม่ได้มันจะมามันก็จะมาของที่เราไม่ชอบบางทีเราไม่อยากให้มันมามันก็มา สิ่งที่เราไม่ชอบคนที่เราไม่ชอบเราไม่อยากให้มันมามันก็มาอันนี้เรียกว่าอนัตตาไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเราไม่ได้เป็นของเราถ้าเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างนี้มันก็จะไม่อยากได้อะไรพอได้มาแล้วเดี๋ยวมันต้องทุกข์เนี่ยการที่เราอยากได้เพราะคิดว่าได้มาน่าจะสุข แต่ถ้ารู้ว่าสุขที่ได้มามันอาจจะมีการหมดไปได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วหรือช้าก็ตามแต่มันจะต้องเกิดมันจะต้องมีการหมดไปอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้ถ้ามันเห็นด้วยปัญญาก็จะรู้ว่าการทำตามความอยากนี้ไม่ดีอันนี้เป็นการเรียนรู้ขั้นต้นก่อนต้องรู้ว่าอะไรคือตัวปัญหา และอะไรที่จะมาแก้ปัญหาตัวปัญหาก็คือความอยากตัวที่จะมาแก้ก็คือต้องเห็นความจริงว่าสิ่งที่อยากได้นี้มันไม่เป็นสุขอย่างเดียวมันมีความทุกข์ตามมาด้วยมันทุกข์ตั้งแต่มันยังไม่จากเราพอเราได้อะไรมาเราก็หวงละหวงละกังวลละกลัวว่าเขาจะจากเราทั้งๆ ท, ที่เขายังไม่จาก ก็กังวลไปก่อนแล้วห่วงไปก่อนนะห่วงแลวกลัวใครจะมาแย่งไปแล้วเอหยิบไปขโมยไป น, นี่คือความทุกข์เกิดจากการที่เรามองไม่เห็นตาลักมองไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็เลยต้องมาค อ, อยเตือนใจสอนใจว่าทุก ส, สิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา เส้นข้าวของเงินทองที่เราอยากจะซื้อนี่ซื้อแล้วเงินทองที่เราคิดว่าจะไม่หมดมันก็จะหมดได้นะเงินทองนี่ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทางที่ดีอย่าไปใช้เงินทองดีที่สุดอย่าไปพึ่งเงินทองพึ่งเท่าที่จำเป็นเท่านั้นอย่าไปพึ่งมากไปกว่านั้นถ้าไม่พึ่งได้เลยยิ่งดีใญ่จะได้ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องเงินทอง พวกที่ฉลาดพวกที่ไม่ต้องการเพื่อเงินทองก็ไปบวชกันนะไปไปบวชเป็นพระแล้วทีนี้ไม่ต้องมีเงินทองนะสบายใจกว่าไม่ต้องหาเงินหาทองไม่ต้องเก็บเงินเก็บทองไม่ต้องกังวลว่าเงินทองจะพอใช้หรือไม่แต่พวกนี้ต้องเป็นแบบแบบนอนกับดินกินกับทรายพวกที่เดินตายพวกนี้ คือยอมตายถ้ามันจะอดตายก็ยอมตายถึงจะไปบวชได้ถ้ายังพัวกลัวตายอยู่นี่ไปบวชไม่ได้อันนี้ที่าต้องอาศัยเงินทองพออาศัยเงินทองก็อยู่แบบไม่มีความสุขอยู่แบบกังวลอยู่เรื่อยๆ อ, อะไรขึ้นอะไรลงหน่อยก็ทำให้ใจหวั่นไหวขึ้นมาแล้วดอกเบี้ยขึ้นดอกเบี้ยลง หุ้น<ค><ณ>ขึ้นหุ้นลงเศรษฐกิจขึ้นเศรษฐกิจลงใจก็นหวุ่นวายไปกับมัน<ค><ณ>เพราะไม่เห็นว่ามันไม่เที่ยงเพราะฉะนถ้ายังต้องใช้เงินอยู่ก็พยายามอาศัยมันให้น้อยที่สุดอาศัยในเรื่องที่จำเป็นจริงๆของที่ไม่จาเป็นอย่าไปซื้ออย่าไปใช้มันอย่าใช้เงินทองไปซื้อมัน พอมันจะติดแล้วมันจะไม่พอใช้แล้วมันจะเป็นปัญหาขึ้นมาเวลาเงินทองไม่พอใช่ <c oughs> วิธีแก้ก็แก้ด้วยการทําทานอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้แล้วเรานําเอาไปปฏิบัติต้องคอยเตือนใจอยู่เรื่อยๆว่าอย่าใช้ของที่ไม่จําเป็นอย่าซื้อของที่ไม่จําเป็น เเงินทองจะไม่พอใช้ทุกครั้งที่อยากจะใช้ก็เอาเงินทองที่จะไปซื้อของไม่จำเป็นนี้ไปทำบุญทำทานหรือถ้าอา่านใจได้ไม่เอาไปใช้ไม่เอาไปทำบุญทำทานก็ได้ให้เก็บไว้เฉยๆก็แล้วกันเก็บไว้สําลองไว้ใช้กับของที่จาเป็นดีกว่ า, อ, าอันนี้ทำได้สองวิธีทำอย่างไรก็ได้ที่จะทำให้เรา เลือกใช้เงินตามความอยากต่างๆให้ได้เท่านั้นเองหยุดมันด้วยการนําเงินไปทําบุญถ้าอยากจะได้ความสุขก็เอาไปทําบุญแทนจะได้ความสุขกว่ามากกว่าความสุขที่ได้จากการไปใช้ของซื้อของตามความอยากต่างๆหรือจะเก็บไว้มันก็ให้ความสุขเหมือนกันมีความมั่นใจขึมากขึ้นว่าเอา่อเรามีเงินเยอะมีเงินเหลือกินเหลือใช้ล้วทีนี้ แต่มันก็อาจจะมีปัญหาได้เหมือนกันมีเงินเยอะๆก็กังวลได้มีเงินมากก็ห่วงอกกลัวหายอกีกกลัวหมดอกีกถ้าไม่มีมันก็ไม่ต้องกังวลมีเท่าที่จาเป็นนี <c oughs> ่คือการเรียนรู้วิธีกำจัดความทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองให้เรารู้จักใช้เงินใช้ทอง อย่าใช้เงินตามความอยากใช้กับใช้ตามความจำเป็นแล้วเงินทองจะพอใช้หรือเราอาจจะไม่ต้องถ้ามันมากเกินไปเราก็อาจจะหยุดทำงานก็ได้หรือเราอาจจะหาเงินทองแบบสบายสบายไม่มีอะไรมาบีบคั้นให้เราต้องไปทำบาปกันถ้าเงินทองเราไม่ค่อยพอใช้บางทีมันจะบีบคั้นให้เราต้องหาเงินทองมากๆง่ายๆเร็วๆ วิธีที่จะได้เงินบ้างๆ ง, ง่ายๆเร็วๆก็ต้องทุจริตกันต้องโกงกันต้องหลอกลวงกันต้องขอโมยกันอันนี้มันก็จะบีบให้เราไปทำบาปทำบาปก็จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอีกเพราะคนทำบาปก็จะกลัวจะต้องไปรับโทษเช่นทำผิดกฎหมายก็กลัวตำรวจกลัวจะถูกจับเข้าคุกเข้าตาราง แต่ถ้าเราไม่ได้ใช้เงินตามความอยากเราจะไม่มีอะไรมาบีบคั้นให้เราต้องไปหาเงินมาแบบง่ายๆมากๆเร็วๆ เ, เราก็หาไปตามกําลังของเราหาได้มากหาได้น้อยเราก็ไม่ไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนเพราะเราจะมีพอกินพ อ, นพอใช้อยู่เราก็จะไม่ต้องไปทํำบาปไม่ต้องไปสร้างความทุกข์ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งอีก อีกเรื่องหนึ่งทุกจากการที่ไปทำบาปกันทำผิดกฎหมายกันนี่คือเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องเงินทองเลือกข้าวของต่างๆอย่าไปอยากได้ของต่างๆในโลกนี้เพราะมันเป็นของชั่วคราวความสุขที่ได้ก็เป็นความสุขชั่วคราวเดี๋ยวก็ต้องจากกันเอาอะไรติดตัวไปไม่ได้ อันนี้ก็เห็นตายรักเหมือนกันเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเอาเอาปัญญาดีกว่าเอาปัญญามาดับความทุกข์ดีกว่ามาหยุดความอยากดีกว่าเพราะใจที่หยุดความอยากได้นี้จะมีความสุขมากกว่ามากกว่าใจที่ได้สิ่งต่างๆมาตามความอยากให้ใช้ปัญญาให้รู้จักใช้วิธี สอนใจให้เลิกความอยากต่างๆความอยากสามอย่างนี้อยากในรูปเสียงกลิ่นรสอยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากให้มันเกิดขึ้นมาภายในใจจะหยุดมันได้ก็ต้องไม่ลืมว่านี่คือสิ่งที่เราจะต้องมากำจัดกันอันนี้ก็เรียกว่าจินตามยปัญญาคอยเตือนใจสอนใจอย่างเรียกว่า เราต้องมากำจัดความอยากทั้งสามนี้เพราะปัญหาของเราทั้งหมดนี้เกิดจากไอ้สามตัวนี้เองเกิดจากการมตัญหาภวะตัญหาวิภวะตัญหาถ้าไม่อยากจะมีปัญหาไม่มีไม่อยากจะมีเรื่องวุ่นวายใจต่างๆอยากให้ใจสงบใจสบายต้องกำจัดความอยากเหล่านี้เวลามันโผล่ขึ้นมาและการจะกำจัดมันได้ก็ต้องใช้ไตรักมา สอนใจว่าสิ่งที่เราอยากมันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่าไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่ามันจะไม่มันไม่เป็นของเรามันไม่อยู่ภายใต้อํานาจการควบคุมบงังคับของเราถ้าเห็นอย่างนี้มันก็จะได้หยุดความอยากได้ถ้าเห็นแล้วยังหยุดไม่ได้ก็แสดงว่าใจไม่มีกําลังพอก็ต้องมาสร้างกําลังใจกําลังของใจก็คือสมาธินี่เองสมถภาวนา เพราะผู้ที่มีสมถะภาวนามีสมาธิจะหยุดความอยากได้เวลาเกิดความอยากก็พุโทโธพุโทโธนั่งสมาธิไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวความอยากก็จะหยุดไปเพียงแต่ว่าสมาธิไม่สามารถหยุดความอยากได้อย่างถาวรพอจากสมาธิมาเดี๋ยวความอยากก็โผล่ขึ้นมาได้ผู้ที่จะทำให้สมความอยากหายไปอย่างถาวรก็คือปัญญา ปัญญาที่ได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นไปรักเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาหรือถ้าเป็นคนเราก็ต้องเห็นว่าเขาไม่สวยไม่งามต้องไปศึกษาดูส่วนที่เขาไม่สวยไม่งามคไปดูอสุภะของเขาอย่าดูแต่สุภะสุภะแปลว่าสวยงามต้องดูส่วนอสุภะด้วยวัเหานี้มี สุภาข้างนอกมีอสุภาข้างในต้องมองเข้าไปข้างในถึงจะเห็นนัสุภาเห็นอาการต่างๆที่มีอยู่ภายใต้ผิวหนังถ้าผิวหนังมันใสเหมือนถุงพลาสติกนี่เราก็จะเห็นอาการต่างๆได้อย่างชัดเจนแต่เราสามารถทำให้ผิวหนังนี้เป็นเหมือนถุงพลาสติกได้ด้วยการใช้ปัญญาด้วยการหมั่นพิจารณาอสุภอยู่เรื่อย คิดถึงอาการต่างๆที่มีอยู่ภายในร่างกายที่ซ่อนอยู่ใต้ผิวหนังผิวเนื้อนี่เช่นไปเปิดหนังสือแพทย์ดูก็ได้เขาจะมีภาพวาดหรือภาพถ่ายให้ดูว่าเวลาผ่าร่างกายออกมาแล้วข้างในร่างกายมีอะไรบ้างปอดอยู่เป็นอย่างไรหัวใจเป็นอย่างไรตับเป็นอย่างไรไตเป็นอย่างไรมีอาการรูปร่างลักษณะอย่างไร นำไส้เป็นอย่างไรเนี่ยกระโหลกศรีศรษะเป็นอย่างไรโครงกระดูกเป็นอย่างไรเนี่ยอันนี้เราสามารถที่จะใช้ปัญญาอสอนใจให้เห็นทะลุผิวหนังได้ปัญญานี้สามารถมองทะลุผิวหนังได้แต่ตาธรรมดานี่มองทะลุไม่ได้หมอก็ถึงต้องใช้เครื่องเอ็กซเรย์กันถึงจะมองทะลุผิวหนังเข้าไปได้ แต่ทางศาสนานี้เราไม่ต้องใช้เครื่องเอ็กซเลยเราใช้ปัญญาพยายามอมองมันอยู่เรื่อยๆคิดถึงมันอยู่เรื่อยๆเหมือนกับท่องสูตรคูณพยายามท่องมันไปเรื่อยๆสองคูนสองเป็นสี่สองคูสามเป็นหกเนี่ยต่อไปมันก็จะจาได้พยายามนึกถึงอาการต่างๆที่อยู่ภายใต้ผิวหนังเช่นกระโหลกศีรษะ โครงกระดูกเนื้อเอ็นตับไตลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่ปอดหัวใจอะไรเหล่านี้สมองมีอยู่ในร่างกายทุกคนที่มองไม่เห็นกันเพราะมีผิวหนังหุ้มห่ออยู่รอบไปหมดหนังนี้ไปเหมือนถุงถุงหรือกระเป๋าเราจะมองไม่เห็นของที่อยู่ในกระเป๋ากัน เราววอาจจะเห็นกระเป๋าเราสวยก็อยากจะได้แต่พอเปิดกระเป๋าดูเขาใส่อุจจาระไว้ก็โยนทิ้งดีกว่าอันนี้ก็เหมือนกันร่างกายก็เป็นเหมือนกระเป๋าที่บรรจุของที่ไม่สวยไม่งามต่างๆอยู่ข้างในพอเปิดกระเป๋าออกมาดูถึงจะเห็นโอ้สิ่งที่ไม่น่าดูพอไปดูเขาชันสูตรสพถึงจะเห็นโอ้โหน่างกายนี้ ข้างในนี้มีแต่สิ่งที่ไม่น่าดูเลยพรุ่งนี้จะมีภาพกับญาติโยมที่ปฏิบัติธรรมเขาจะไปดูผ่าศพกันเพราะว่ามันไม่ได้เห็นกับตาจริงๆมันจินตนาการไม่ออกต้องไปดูภาพดูแล้วก็เอามาบันทึกไว้ในใจดูหนอนเดียวก็เป็นสุดตะมยะปัญญาถ้าอยากจะให้มันไม่ จ, จางหายไปจากใจ ดูแล้วก็ต้องกลับเอามาคิดอยู่เรื่อยๆพิจารณาอยู่เรื่อยๆก็จะเรียกว่าจินตามายปัญญาพอมีปัญญาเห็นอะไรอยู่เรื่อยๆแล้วถ้ายังสู้กิเลสไม่ได้ความอยากมันยังมันยังไม่สนใจมันก็ต้องใช้สมาธิมาช่วยอีกทีหนึง่งถ้ามีสมาธิมีปัญญาเห็นอสุภะมันก็จะหยุดความอยากคือหยุดกามราคะได้ พอเวลาเราไม่คิดถึงอสุภะปั๊บมันคิดไปสุภะได้ทันทีเลยนะเพียงเชื่อขณะแวบเดียวเนี่แหละอุตส่าห์พิจารณาสุภะามาทั้งวันทั้งคืนพอวันดีคืนดีมันพลิกล็อกหน่อยเดียวมันพลิกไปได้ภายในวิธีวินาทีเดียวเลวยแต่ถ้ามีสติมีสมาธิมีกําลังมันจะห้ามไม่ให้พลิกล็อกได้มันจะบงังคับให้เห็นแต่อสุภะได้จนกว่าความอยากมันจะหยุดมันถึงจะหยุดดูอสุภะ นี้ก็คือเรื่องของการแก้ก า, การการกําจัดความอยากต่างๆต้องกําจัดด้วยปัญญาปัญญาก็ต้องเป็นปัญญาระดับที่สามคือไม่หลงไม่ลืมไม่ลืมตายลักไม่ลืมมสุสุภาแล้วก็มีสมรรถะมีกําลังที่จะหยุดความอยากได้มามาร่วมกัน ต้องมีทั้งสมถะภาวนาและมีปัญญาคือวิปัสสนาภาวนานี่มันก็จะทาให้สามารถที่จะกําจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้ถ้ายังนง่ยังลืมอยู่ยังไม่สามารถรักษาปัญญาให้มันเป็นปัญญาได้มันก็ยังเรียกว่าสัญญาบางทีก็จำได้บางทีก็ลืม ชอบไปลลมไหมตอนที่กิเลสมันโผล่ขึ้นมาตอนที่กิเลสหายไปนี่มันปัญญามาเต็มไปหมดเลยกระเป๋ารองเท้าอะไรเป็นไตลักหมดพอกิเลสพึ่นโผล่ขึ้นมากระเป๋ารองเท้ากายไตยลักไม่รู้หายไปไหนหมดเลยกลายเป็นของ น, น่าอยากซื้อขึ้นมาทันทีต้องอย่าให้มันลืมถึงจะเรียกว่าเป็นภาวนามยับปัญญา ถ้ายัางเป็นจินตาอยู่นี่มันยังลืมอยู่คิดเวลาคิดถึงมันก็ไม่ลืมพอหยุดคิดปับ๊บเดี๋ยวลืมละไปคิดตรงกันข้ามละแทนที่จะคิดว่าเป็นอสุภะก็คิดว่าเป็นสุภะษละแทนที่จะคิดว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนะัตตาก็คิดว่าเป็นสุขขังไปละเห็นอะไรก็สุขไปหมดนะเห็นกระเป๋ารองเท้ามาได้ซื้อมาแล้วมีความสุขเนี่ยไม่เห็นว่ามันเป็นทุก เพราะว่ามันจะต้องซื้อเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเงินก็จะหมดพอไม่มีเงินแล้วทีนี้มันก็จะทุกข์กระเป๋ารองเท้าก็ไม่มาสามารถดับความทุกข์ได้เนี่ยนี่คือปัญญาต้องพิจารณาอยู่เรื่อยๆจนมันฝังอยู่ในใจเห็นอะไรพออยากได้อะไรปับ๊บติ๊ตรยลัต้องโผล่ขึ้นมาทันทีอาสุภะต้องโผล่ขึ้นมาทันที แล้วถ้ายังไม่มีกำลังพอก็ต้องภาวนาให้มันมีกำลังพอบางทีเห็นแล้วมันก็ยังไม่หยุดก็ต้องหยุดมันด้วยการภาวนาต่อสมถะภาวนาพุทธโธพุทธโธหรือดูลมหายใจเข้าออกไปให้ใจมันหยุดความอยากให้ได้นี่คือวิธีที่เราจะสามารถกำจัดความทุกข์ต่าง ที่มีอยู่ในใจของพวกเราให้หมดไปได้พวกเราทุกคนนี้ทุกข์กันเพรานั้น hmm. ทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่เรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้เป็นตัวทำให้เราทุกข์หรอกไอ้ตัวที่ทำให้เราทุกข์คือความอยากกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ท่านเองอยากให้เรื่องนั้นเป็นอย่างนั้นพอมันไม่เป็นก็ทุกข์อยากให้เรื่องนี้เป็นอย่างนี้พอมันไม่เป็นก็ทุกข์ ถ้าไม่มีความอยากแล้วเรื่องนี้มันจะเป็นอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องของมันเรื่องนั้นจะเป็นอย่างนั้นมันก็เรื่องของมันเราจะไม่ทุกข์เราจะเฉยเฉยทุกข์เพราะความอยากจะหายทุกข์ก็ต้องหยุดความอยากจะหยุดความอยากก็ต้องเห็นว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้เราไปสั่งขอไม่ได้ไปห้ามขอไม่ได้ เขาจะมาเขาก็มาเขาจะไปเขาก็ไปเขาจะดีก็ดีเขาจะร้ายก็ร้ายเราห้ามเขาไม่ได้ถ้าเราไปอยากให้เขาดีพอเขาไม่ดีเราก็ทุกข์ถ้าเขาร้ายเราอยากจะให้เขาหายร้ายพอเขาไม่หายร้ายเราก็ทุกข์แต่ถ้าเราไม่มีความอยากให้เขาดีหรือไม่อยากให้มีความอยากให้เขาหายร้ายเราก็จะไม่ทุกข์เขาจะดีก็เรื่องของเขาเขาจะร้ายก็เรื่องของเขา นนี่คือความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่เขาอยู่ที่ใจเราอยู่ที่ความอยากของเราท่านเองถ้าเรากำจัดความอยากได้ความทุกข์ก็จะไม่มีจะกำจัดได้ก็ต้องมีปัญญาระดับที่สามมีภาวนามายปัญญามีความรู้ไตรลักษณ์ที่ไม่หลงไม่ลืมมีอยู่ตลอดเวลามีกำลังสมะถะภาวนามีสมาธิมีกำลังที่จะ พอปัญญาสั่งบอกให้หยุดความอยากมันก็หยุดได้ถ้าปัญญาสั่งให้หยุดแล้วมันไม่หยุดก็แสดงว่าสมถะภาวนายังขาดยังกำลังไม่พอต้องไปฝึกสมถะภาวนาให้มากขึ้นให้มันมีกำลังหยุดได้สมถะอย่างเดียวก็หยุดได้แต่ถ้าไม่มีปัญญามันก็จะหยุดชั่วคราวเดี๋ยวพอออกมามันก็ไปอยากใหม่ แต่ถ้ามันมีปัญญาทุกครั้งที่อยากเห็นว่าเป็นตายรักแล้วก็หยุดได้ด้วยสมมะภาวนาต่อไปมันจะไม่เกิดขึ้นมาต่อไปมันจะหายไปหมดแล้วใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์นี่แหละคือใจของพระพุทธเจ้าใจของพระสาวกท่านเป็นอย่างนี้ท่านกำจัดความอยากต่างๆด้วยปัญญาสามระดับนี้ขั้นต้นท่านก็ศึกษา ขั้นที่สองท่านก็ามาพิจารณาค่ายควรอยู่เรื่อยๆเพื่อไม่ให้หลงให้ลืมแล้วท่านก็มาฝึกสมถภาวนาสร้างสมาธิทําใจให้สงบ พ, พอท่านมีกําลังที่จะหยุดความอยากได้พรอมมีปัญญามาสอนว่าทําไมต้องหยุดความอยากก็จะหยุดทันทีแล้วก็จะไม่อยากอีกต่อไปพอรู้ว่าสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นทุกข์อยากไปทําไม น, นี่คือ เรื่องของปัญญาทางศาสนามีไว้เพื่อกำจัดความทุกข์ที่เกิดจากความอยากจะกำจัดได้ต้องอาศัยปัญญาขั้นที่สามภาวนามายปัญญาแต่ก่อนจะได้ขั้นที่สามก็ต้องอาศัยขั้นที่สองขั้นที่หนึ่งก่อนขั้นที่หนึ่งต้องเรียนรู้ก่อนว่าปัญญาคืออะไรอะไรคือตายลักษณอะไรคืออ <c oughs> อะไรคือสมถติภาวนานต้องเรียนรู้ก่อน พอเรียนรู้แล้วก็ไปสร้างมันไปปฏิบัติมันไปพิจารณาอยู่เนืองเนืองเรื่องตายักเรื่องอ ส, สุภะแล้วก็ไปฝึกสมาธิอยู่บ่อยๆให้จิตสงบให้จิตรวมเป็นหนึ่งให้หยุดความอยากเป็นพักๆไปก่อนพอมีทั้งสองอย่างนี้แล้วพอเกิดความอยากขึ้นมาก็จะสามารถหยุดมันได้ทันทีสอนใจให้เลิกเลิกอยากได้พอรู้ว่าความอยากนี้มันเป็นทุกข์ แล้วสิ่งที่ได้มามันก็เป็นทุกข์ก็อย่าไปอยากมันดีกว่าอยู่แบบไม่อยากสบายกว่าอยู่แบบคนไม่ติดบุหรี่ดีกว่าอยู่แบบคนที่ติดบุหรี่อยู่แบบคนที่ไม่ติดช้อปปิ้งดีกว่าคนที่ติดช้อปปิ้งอยู่แบบคนที่ติดเที่ยวดีกว่าคนที่อยู่อยู่แบบไม่ไม่ติดเที่ยวดีกว่าอยู่แบบคนที่ติดเที่ยวงั้นอย่าไปอยากอย่าไปติดกับอะไร อยู่แบบไม่มีอะไรนี่แหละดีที่สุดอยู่เฉยๆได้แล้วเป็นสุขเขาเรียกว่าอยู่เป็นสุขเนี่ยพวกเราส่วนใหญ่เป็นพวกอยู่ไม่เป็นสุขกันอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องไปกว่งเท้าหาเซียนกันถึงจะมีความสุขแล้วก็มานั่งน้ำตาไหลกันพอไปเตะเซียนเข้ามาตอนใหม่ๆคิดว่ามันเป็นจะให้ความสุขแต่เป็นความสุขเดียววเดียเด๋ยวมันกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมา ยันขอให้ท่านจงนำเอาเรื่องของปัญญาทั้งสามระดับนี้ไปใกล้ควรไปพิจารณาดูแลลองเอาไปทำดูรับรองได้ว่าถ้าทำสำเร็จจะมีความสุขมากจะอยู่อย่างไม่มีความทุกข์ความวุ่นวายใจต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาเลวะหาปุราปะเลปุเรนติสาขลงเอวเมวอิตตทินนางเปตานังอุปกะปติอิชิต uh ังปัติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะระโสยทามนิโชติระโสยทาสัภิติโยวิวาจันตุสัพพะโรโวินัสตุมาเตภวัตะวันตราโยสุขีทีคายุโกภวะ พิวาทนาสีลิสะนิจังวุธาปจายโนจตารโรธรรมาวะทานติอายุวันโนสุขังภาลาวันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทางเฟ e b ุ o k เข้ามาสามร้อยเก้าสิบูสองรอยสิบแปด วิทยุออนไลน์ยี่สิบสองรับฟังข้างบนนี้ยี่สิบเจ็ดคน<ม>รวมทั้งหมดหกร้อยห้าสิบเจ็ดครับวันนี้คนทางเฟซบุ๊กกับยูทูบเยอะคนที่นี่น้อยวันเสาร์อาทิตย์สลับกันวันเสาร์อาทิตย์คนที่นี่จะมากแต่คนทางเฟซบุ๊กยูทูบจะลดลงคงพ่อมาที่นี่มั้งก็เลยหรือไปทำไปทาธุระที่อื่นไม่สะดวกที่จะติดตาม มีคำถามไหมยังไม่มีมีครับอมีก็ส่งเข้ามาได้เลยค ำ, คำถามจากทางเฟซบุ๊กนะครับคุณปอปลาหนูขอสอบถามว่าเวลาที่ใส่บาตรแล้วหนูไม่ได้อยู่ฟังพระท่านแผ่เมตตาให้พรหนูจะได้บุญไหมคะออไม่เกี่ยวกันหรอกพระให้พรหรือแผ่เมตตาหรืออะไรไม่เกี่ยวกับเรา บุญนี้เกิดจากการเสียสละของเราเราเสียสละเข้าของเงินทองไปนี่บุญเกิดขึ้นแล้วในใจเราคำถามต่อไปจากคุณชุดิมานั่งภาวนาพุทโธไปสักพักมีอาการปวดขาจากน้อยไปมากปกติใจจะเจ็บไปด้วยครั้งนี้เจ็บก็รู้ใจไม่ได้เจ็บด้วย แต่รู้ว่าขาปวดอยู่อันนี้คือใจเริ่มรู้ทันใช่หรือไม่เจ้าคะใจเริ่มหยุดความอยากที่จะให้ความเจ็บมันหายไปปล่อยให้มันเจ็บไปใจก็จะไม่เจ็บที่ใจเจ็บเจ็บเพราะอยากให้ความเจ็บหายไปคำถามต่อไปจากคุณสิริความอยากนี้มันสิ้นสุดได้ไหมครับ หรือว่าต้องคอยกาจัดเวลามันเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆมันจะมีวันที่จะไม่เกิดขึ้นอีกเลยไหมครับถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเราหยุดเราไม่ไปทำตามความอยากมันก็จะหมดไปแต่ถ้ามันยังไม่โผล่ขึ้นมาอย่าไปคิดว่ามันหมดบางทีมันซ่อนตัวอยู่ความอยากมันมีแบบเปิดเผยกับแบบซ่อนเล็บอยู่ยิ่งถ้าเราไ้ตัวที่มันเปิดเผยมันหมดแล้วทีนี้เราต้องคุ้ยเขียหามัน มันจะต้องหาลายล่อมันออกมาบางทีก็เราคิดว่ามันตายแล้วเราต้องหาวิธีให้มันโผล่ขึ้นมาบางทีต้องไปอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ท่านรู้จักวิธียากิเลสที่มันหลบอยู่อย่างที่เคยเล่าอยู่ด้วยว่ามีญาติโยมไปฟังเทศหลวงปู่หลวงตาแล้วบอกโอ้ตั้งแต่ฟังเทศมากิเลสมันหายหมด หนูตาก็เลยแย่กลับไปอีกต่อแล้วพอต่อแลท้ทานนั้นไอที่หายไปมันโผล่ขึ้นมาโกรธเกลียดขึ้นมา ท, าทันทีเลยน้นเราอย่าประมาทนะมันอยู่อยู่ดีๆมันหายไปนี้มันไม่ใช่ว่ามันจะหมดนะเราต้องทดสอบทดสอบแย่มันดูคิดว่าการหายไม่หมดแล้วลองให้มัน ลองเอาสุภาพมาแย่มันดูสิลองให้ไปดูปรากวดนา ง, งามจั ก, กรวาลดูดูซี่ว่าไอ้ที่มันเชื่อมันหายไปมันโผล่ขึ้นมาหรือเปล่ า, าถ้ามันดูแล้วมันเฉยแส ด, ดงว่ า, า ม, มันหมดแล้วแต่ถ้าดูแล้วเดี๋ยวมันเกิดอารมณ์ขึ้นมาแส ด, ดงว่ายังไม่หมด <c oughs> คำถามต่อไปจากคุณแพสผมนั่งสมาธิ แล้วคล้ายกับมีคนบอกว่าทุกอย่างในโลกว่างเปล่าแล้วมีภาพแสงสว่างส่องลงมาพร้อมบอกว่าใช้แสงสว่างส่องดูแสงสว่างนั้นจ้ากว่าดวงอาทิตย์จนทุกอย่างเลือนหายไปมีเพียงความสว่างเท่านั้นทุกอย่างที่เห็นเกิดเร็วมากครับแค่สิบวินาทีผมควรพิจารณาอย่างไรถึงจะถูกต้องครับอ๋อก็พิจารณาว่ามันก็แค่นั้นแหะ มันกิเลสมันยังไม่ตายหรอกออกมาแล้วยังเ ค, อ ย, ย, งคอยอยากกินอะไรอยู่แล้วมันยังมีอยากกลับมาอยู่ก็ใช้ไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้ายังอยากเที่ยวอยู่ออกมาจากสมาธิแล้วมันก็ยังอยากอยู่มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรให้ออกมาให้มาเปรียบเทียบที่มันสอนเราก็คือทุกอย่างที่เราทำมันเหมือนความว่างทำแล้วมไม่ได้อะไรทแล้วมันก็แป๊บเดียวมันก็หมดไป อย่าไปทำดีกว่าเพราะมันทำให้เราหลงทำให้เราติดนะถ้าเราไม่ทำเราเลิกทำเสียต่อไปมันก็จะไม่หลงไม่ไม่ติดแล้วพอไม่ได้ทำก็จะไม่เดือดร้อนอันนี้มันอย่าไปให้ความสำคัญกับมันมากนะมันเป็นเพียงแต่เขาเรียกว่าอะไรอาจจะเป็นเป็นข้อให้เราคิดเราคิดเป็นหรือเปล่า ถ้ามาถามอย่างนี้แสดงว่าเราคิดไม่เป็นไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเอาไปใช้ประโยชน์อย่างไรนะครับางทีอาจจะไปคิดว่าเห็นแค่นี้แล้วบรรลุแล้วก็ได้อันนี้ก็ผิดนะบรรลุไม่บรรลุอยู่ที่ว่าอยากยังมีอยู่หรือเปล่าถ้ายังมีอยู่ก็ยังไม่บรรลุบางคนคิดว่านั่งสมาธิแล้วเห็นนี่เห็นว่างความว่างเห็นคำพูดขึ้นมาในใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างว่างเปล่ามันว่างตอนที่มัน พูดให้เราฟังนั้นเองเดี๋ยวว่าเราออกไปทุกอย่างเป็นของกูหมดละ <c oughs> <g ül> เงินยังเป็นของกูอยู่บ้านยังเป็นของกูอยู่รถยังเป็นของกูอยู่แฟนลูกยังเป็นของกูอยู่ไอันนี้มันไม่ว่างมันมันใจเราไม่เยีงไม่ว่างอต่สิ่งที่มันมาปรากฏมาสอนเรามันบอกให้เราบอกว่าทุกอย่างมันว่างไม่ใช่ของเราเห็นต้องอย่าไปหลงกับนิมิตต่างๆที่มาปรากฏให้เรารู้เราเห็นเราต้องมา ใช้มันให้ดูว่ามันว่างจริงอย่างที่มันบอกเราหรือเปล่าเอถ้าออกมาปั๊บเห็นอะไว่างไปหมดเลยลูกเมียจะไปไหนก็ไม่ได้เป็นลูกเมียเราแล้ ว, ลวอย่างมีนิทานอีกเรื่องหนึ่งเรื่องหลวงตาไปบวชทิ้งลูกเมียไว้ที่บ้านะลูกก็เมียก็ส่งลูกไปเอาอาหารไปถวายทุกวันทุกวันแล้ว นูก็มาเล่าว่ามีอะไรเหตุการเกิดขึ้นที่บ้านเนีก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้ที่บ้านเงินทองไม่พอใช้เลยต้องขายขายของบางอย่างไปถ้าขายก็ขายไปไม่ใช่ของเราไหมขายนู่นขายนี่เดี๋ยวมาบอกจะต้องขายที่ขายนาแล้วก็ขายไปขายบ้านขายช่องขายไป แม่เขาจะไปมีแฟนใหม่แล้วเฮ้ยไม่ได้มันยังเป็นแฟนกูอยู่อืมแสดงว่ามันยังไม่ว่างจริงฮนะยังไม่ได้ไปว่างทุกอย่างบางอย่างว่างแต่บางอย่างยังไม่ว่างอของไหนที่ยังรักยังหวงอยู่นี่ยังไม่ว่างของที่ไม่รักไม่หวงก็ว่างไม่ใช่ของเราอเยกิเลสมันมันต้องรอบครอบต้องละเอียดนะมันไม่ใช่ว่ามันจะ เหตุคิดว่าเหมาว่าเอาอย่างเห็นว่าว่าอย่างนี้ว่างอย่างนี้แล้วทุกอย่างมันจะว่างหมดมันไม่ใช่หรอกยังมีอะไรต้องเยอะยะที่เราไม่รู้มันว่างจริงหรือเปล่าร่างกายของเรามันว่างหรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้เดี๋ยวร่างกายเป็นอะไรขึ้นนอหน่อยโอ้ยเราเดือดร้อนแล้ปวดท้องอหมอบอกเป็นมะเร็งนี้ใจวุ่นวายไปแล้วอย่างนี้ก็แสดงว่ายังไม่ว่าง ถ้าว่างมันต้องเฉยกับทุกสิ่งทุกอย่างใครจะอะไรจะมาอะไรจะไปก็เ <geek> ร <ing> ื่องของมันคำถามต่อไปจากคุณจินคอปมีสองคำถามครับคำถามที่หนึ่งมีทุกหลบเข้าอัปปนาสมาธิออกมาก็พิจารณาขันห้าที่เกี่ยวข้องเช่นนั้นและทำบ่อยๆเพื่อไม่ให้ลืมใช่ไหมครับและทำเท่าไหร่ถึงจะไม่ลืมครับ ทำจนกว่าจะปล่อยขันห้าได้ที่เราทุกข์เพราะเรายังอยากให้ขันห้าเป็นไปตามความอยากของเราอยู่เราไม่ปล่อยให้ขันห้ามันเป็นไปตามเรื่องของมันนั้นถ้าเรายังทุกข์กับขันห้าอยู่แสดงว่าเรายังไม่ปล่อยเราก็ต้องใช้ปัญญ า, าสอนเราว่ามันต้องปล่อยเพราะเราไปห้ามมันไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้พอเราเห็นด้วยปัญญาแล้วทีนี้เราออกมา พอเจอขันห้าแล้วทุกข์กับขันห้าก็ต้องปล่อยถ้าปล่อยได้ใจก็จะไม่ทุกข์กับมันคําถามที่สองนิโรธสมาบัติเข้าสมาธิถึงตรงไหนครับก็เลยอรูปฌานขึ้นไปนี่ยมีรูปฌานสีแล้วยังก็มีอีกอรูปฌานอีกสีคือความสงบมันจะมากขึ้นไปเรื่อยๆจากฌานหนึ่งถึงฌานสีก็ เป็นอัปปนาสมาธิแต่จากอัปปนาสมาธิยังมีต่อมีอรูปฌานอีกสี่แล้วมีนิโรธสมาบัติเนี่ยก็คือการทำงานของจิตมันยังมีอยู่จะไปหมดก็ตอนที่อยู่ในนิโรธสมาบัติตัวอย่างหยุดทำงานคือนามขันทั้งสี่หยุดทำงานคำถามต่อไปจากคุณวิบูล ในชีวิตคนทั่วไปทำงานถือว่าต้องก้าวหน้าและความอยากไม่มีจะได้รอเปล่าครับไม่ทราไม่เข้าใจความหมายต้องก้าวหน้าแต่ไม่มีความอยากถ้าไม่มีความอยากก็ไม่ไม่ก้าวหน้าแล้วแหละจะก้าวหลังแล้วจะไปบวชแล้วถ้าไม่มีความอยากก็ไม่รู้จะไปอยู่ทำงานไปทำไมก็ไปบวชดีกว่า พวกที่ไปบวชนี่เขาเก้าวหลังไม่ใช่ก้าวหน้าเขาไม่ต้องการอะไรในโลกนี้เขาเห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นทุกข์แทนที่จะเดินเข้าหามันก็เดินถอยออกจากมันถอยออกจากราบยศสรรเสริญถอยออกจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะนั่นเองคำถามต่อไปจากคุณตรีชา หนูให้อภัยคนที่เคยให้ร้ายไม่ ไ, มได้ควรจะทําอย่างไรดีคะทั้ ง, ท, ง, ท, งที่รู้ว่ามันไม่ดีก็ให้อภัยไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอย่าไปจองเวรจองกรรมก็แล้วกันอย่าไปคิดถึงเขาว่าแล้วกันทุกครั้งที่คิดถึงเขาก็ใช้พุโทโธพุโทโธหยุดมันคําถามต่อไปจากคุณปัตมาพร เวลานั่งภาวนาชอบคุยกับตัวเองต้องแก้อย่างไรเจ้าคะเช่นพุโทโธอยู่จิตส่งออกคิดก็จะบอกตัวเองคิดทําไมกลับมาพุโทโธปวดขาก็จะบอกตัวเองปวดก็รู้แค่ปวดก็พอกลับไปพุโทโธต่อซะจะคุยกับตัวเองแบบนี้ตลอดเจ้าคะ่ะไม่ทราบว่าถูกหรือผิดก็อย่าคุยสิก็พุโทโธไปสิพุโทโธอย่างเดียว มันจะปวดมันจะคิดอะไรก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันให้อยู่กับพุทธโธไปตอนที่สติเรายังมีกำลังไม่มากมันจะแข่งกันความคิดเป็นก็ยังเข้ามาแข่งกับพุทธโธเราอยู่เราก็อยากไปสนใจกับความคิดให้สนใจกับพุทธโธไปแล้วต่อไปสติเรามากขึ้นมากขึ้นพุทธโธเรามีกำลังมากขึ้นเดี๋ยวความคิดอื่นๆมันก็จะหายไปเองคาถามต่อไปจากคุณจิน เวลานั่งสมาธิบางทีความคิดเหมือนมีสองอย่างเถียงกันแย้งกันอันนั้นคือจิตกับจิตหรือจิตกับสติความคิดกับความคิดนั่นแหละ <c oughs> มีที่ไหนคิดอย่างหนึ่งแล้วก็คิดอีกอย่างกลับมาเถียงกันไปเถียงกันมามันก็ความใช้ความคิดเถียงกันไปเถียงกันมานี่คำถามต่อไปจากคุณสีสุดาคนที่ไม่รู้จัก ทานศีลแต่มุ่งเน้นการเดินจงกรมนั่งภาวนาพุทโธอย่างเอาเป็นเอาตายแบบนี้จะได้ไหม่เจ้าขาได้องทำไมยังไม่ได้อยากจะเดินจงกรมก็เดินไปเวลาเดินจงกรมก็ไม่เกี่ยวกับศีลเกี่ยวกับทานทานกศีลมันจะเกี่ยวกับทานที่ใช้เงินะเวลาอยากจะใช้เงินไปเที่ยวก็ทานต้องเข้ามาแล้วะ เวลาจะคิดทำร้ายคนนั้นคนนี้ต้องต้องเอาศีลเข้ามาลนะ่ะเพราะถ้าไม่มีทานไม่มีศีลกิเลสมันก็ไม่หยุดนะแต่เวลาภาวนาเดินจงกรมนี้เราก็ควบคุมความคิดควบคุมความอยากความคิดที่จะไปเที่ยวมันก็ไม่มีความคิดที่จะไปทำบาปมันก็ไม่มีคำถามต่อไปจากคุณสุริยะถ้าละขันธะ รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันแล้วจะยังเหลือจิตอีกไหมครับเหลือการละไม่ได้ไปทําลายของเหล่านี้เพียงแต่ปล่อยวางเขาให้เขาอยู่แบบธรรมชาติเหมือนเราปล่อยวางดินฟ้าอากาศนี่เราละดินฟ้าอากาศเราดินฟ้าอากาศมันหายไปวะเราไม่ไปยุ่งกับมันเท่านั้นเองฝนจะตกก็ปล่อยมันตกไปแดดจะออกก็ปล่อยมันออกไปเท่านั้นเอง เราไม่ได้ไปสั่งให้วันนี้อย่าฝนอย่าตกนะวันนี้แดดอย่าออกนะเท่านั้นเองเราเลิกยุ่งกับมันฐานห้านี้มันหลอกเราไงบางทีเราสั่งมันได้บางทีเราสั่งมันไม่ได้พอเราสั่งมันไม่ได้เราก็เลยทุก เ, เวลาสั่งได้เราก็สุขสั่งให้มันพาเราไปเที่ยวมันก็ไปสั่งให้เราทํานู่นทำนี้มันก็ทําให้ตอนนั้นก็สุข พอถึงเวลาสั่งนั่นมันไม่ทําเนี่ยตอนนั้นแ่ะมันจะทุกข์เราถึงว่าอยากไปสั่งมันดีกว่าอยากไปยุ่งกับมันดีกว่าอยากไปอาศัยมันดีกว่าเรียวละขันห้าคําถามต่อไปจากคุณอัมภาอยากถามว่ามนุษย์เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมได้หรือไม่คะและควรปฏิบัติตนอย่างไรบ้าง อ, อ๋อได้ทั้งทางโลกทั้งทางธรรมแต่มันจะถึงจุดหนึ่งที่มันจะต้องแยกทางกันคือทางโลกกับทางธรรมมันตอนต้นมันไปพร้อมๆกันได้ขั้นระดับทาบุญทาทานรักษาศีลนี้ไปควบคู่กับการทรมาหากินทางโลกได้อยู่อยากจะหาความสุขทางโลกก็ยังหาได้อยู่ทาทาน กับการรักษาศีลไม่ไปขัดขวางการหาความสุขความเจริญทางโลกนะแต่ถ้าจะเข้าสู่ขั้นที่สามขั้นภาวนานี่มันจะแยกทางกันละต้องเลือกทางใดทางหนึ่งอยากจะเจริญทางโลกก็ไปทางทางภาวนาไม่ได้เพราะทางภาวนานี้ต้องไปบวชกันหรือต้องไปอยู่แบบนักบวชต้องรอต้องลาออกจากงานเลิกทำธุรกิจเลิกเกี่ยวข้องกับคนนั้นคนนี้ ไปอยู่แบบนักบวชหรือไปบวชแล้ถึงจะได้มีเวลาจเจริญทางธรรมได้อย่างเต็มที่ถ้าไม่ทำอย่างนี้จะไม่สามารถทำสำเร็จถ้าจะเอาสองทางมันจะกลับไปกลับมาทางโลกก็ไม่จเจริญทางธรรมก็ไม่จเจริญเ <c oughs> พราะมันวิ่งวิ่งหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนี้ไปไม่ถึงไหน คำถามต่อไปครับเวลานั่งสมาธิมีอาการเลื้อยเหมือนงูเราควรจะทําอย่างไรเจ้าค่ไม่ไต้องไปสนใจอาการต่างๆที่เกิดขณะที่นั่งสมาธิอย่าไปสนใจให้กลับมาดูลมหรือพุโทโธพุโทโธนั่งสมาธิต้องมีอะไรกํากับใจอย่าปล่อยให้นั่งดูเฉยๆถ้านั่งดูเฉยๆเด้อจะมีอาการแปลกๆหรืออาการต่างๆโผล่ขึ้นมาเราต้องการนั่งเพื่อให้จิตสงบ จิตสงบว่างไม่มีอาการต่างๆ ต, ต้องมีสติกำกับใจต้องมีพุทโธพุทโธหรือต้องมีลมดูลมหายใจเข้าออกไปคำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสองค์ออกนามนะครับตอนนี้ลูกเผชิญกับทุกข์เรื่องครอบครัวสงสารลูกน้อยด้วยและตัวเองกลัวค่ะกลัวอนาคตกลัวก็ทําอะไรไม่ได้หรอกอนาคต อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดแต่เราสามารถกําจัดความกลัวได้อนาคตเรากําจัดไม่ได้ความกลัวเกิดจากความไม่อยากเจออนาคตก็หยุดความอยากนี่เสีมันก็หมดเรื่องอนาคตก็ไม่มีอะไรน่ากลัวเราไปกลัวมันเองคําถามต่อไปจากคุณศรีสกุล เวลานั่งสมาธิจิตมันชอบคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ตลอดจะทาอย่างไรให้จิตมันสงบนิ่งครับก็ไม่มีสติไงก่อนจะมานั่งต้องฝึกสติก่อนต้องมันพุโทโธพุโทโธพุโทโธอยู่เรื่อยๆหรือมันควบคุมความคิดไว้ก่อนให้มันอยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่อย่าให้มันไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ กำลังเดินก็ให้มันอยู่กับการเดินกำลังอาบน้ำก็ให้มันอยู่กับการอาบน้ำกำลังรับประทานอาหารก็ให้มันอยู่กับการรับประทานอาหารต้องฝึกก่อนถ้าไม่ฝึกปล่อยให้มันคิดไปกับกับกับเรื่องต่างๆที่เราทำมันก็จะคิดเวลาเรามานั่งสมาธิต้องหมั่นฝึกเข้าดูก็ได้หรือท่องพุทโธไปเรื่อยๆก็ได้ คำถามต่อไปจากคุณละดาวันเวลานั่งสมาธิจิตมันชอบคิดไปเรื่อยควรแก้ไขอย่างไรเจ้าคะอล้วเพิ่งถามครับซ้ำครับเพิ่งถามเมื่อกี้นี้คำถามต่อไปกรณีที่เราภาวนาและเจริญสติประจำวันไปเรื่อยๆแล้วเกิดอาการเบือ่อ มาพักใหญ่ๆไม่แน่ใจว่าเบื่อแบบกิเลสหรือเบื่อโลกจริงๆขอคำแนะนำพระอาจารย์ด้วยเจ้าคะ่ะอ๋อถ้าเบื่อจริงๆมันจะแฮปปี้มันจะไม่เศร้าถ้าเบื่อแล้วเศร้าก็เป็นกิเลสถ้าเบื่อแบบโอยไม่มีดีกว่าไม่มีงานดีกว่าไม่มีลูกดีกว่าไม่มีเงินดีกว่าอย่างนี้ถ้าเบื่อแบบนี้มันเบื่อแล้วมีความสุข ถ้าเบื่อแล้วทุกนี่แสดงว่าเป็นกิเลสห ม, ลหมดแล้วนะเอาแล้วนะวันนี้ก็คิดว่าไม่อยากจะถูถยเลยเดี๋ยวมีละครมีอะไรมาแทรกอีกก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุข